สิกขาบทวิพังสี่ร้อยสีคำว่าก็ใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าก็ใดคำว่าภิกษุมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าภิกษุในความหมายนี้คำว่าเมื่อมีผู้ยกปฏิโมกข์ขึ้นแสดงอยู่ความว่าเมื่อมีผู้ใดผู้หนึ่งยกขึ้นแสดงเองใช้ผู้อื่นให้ยกขึ้นแสดงอยู่หรือกําลังท่องปฏิโมก คำว่ากล่าวอย่างนี้ความว่าสิกขาบทเล็กๆน้อยๆที่ยกขึ้นแสดงเหล่านี้จะมีประโยชน์อะไรย่อมเป็นไปเพื่อความรําคาญเพื่อความลําบากเพื่อความยุ่งยากคือดูมินพระวินัยให้อุปสัมบันฟังว่าผูกพิสูจน์ที่เราเรียนพระวินัยนี้จะมีความรําคาญมีความลําบากมีความยุ่งยากพู้พิสูจน์ที่ไม่เ่าเรียนพระวินัยนี้จะไม่มีความรําคาญไม่มีความลําบากไม่มีความยุ่งยาก ศิกขาบทนี้พวกท่านไม่ยกขึ้นแสดงจะดีกว่าไม่ศึกษาจะดีกว่าไม่เล่าเรียนจะดีกว่าไม่ทรงจำจะดีกว่าพระวินัยจงอันตรธานไปหรือภิกษุพวกนี้จงเป็นผู้ไม่รอบรู้พระบัญญัติต้องอาบัตปาจิตี